Mm hmm. ในสมัยพุทธการมีป่าอยู่ป่าหนึ่งนะก็เป็นป่าผืนเล็กๆแต่ว่าพระสาวกที่สำคัญหลายท่านได้ไปบำเพ็ญเพีย ป, ปฏิบัติที่นั่นคราวหนึ่งพระอนุรุท ธ, ธะนะแล้วก็พระนันทิยะแล้วก็พระกิมพิละนะก็ได้หลีกเล่นไปปฏิบัติ ที่ป่าแห่งนี้นะชื่อป่าโคสิงค์าสารวันวันหนึ่งพระพุทธองค์ก็เสด็จไปเยี่ยมพระสาวกทั้งสามท่านคำถามแรกที่พระองค์ถามก็คือว่าสบายดีหรือพออยู่ได้หรือบินทบาทพอฉันไหมพระนุรุธทธาตอบว่าก็สบายนะอยู่ได้สบาย บินธบากระเป่าฉันคาถามต่อมาที่พระองค์ถามก็คือว่ายังพร้อมเพรียงกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันอยู่ด้วยกันเหมือนกับน้ำแล้วก็น้ำนมก็คือว่ากลมเกิืนกันมองกันด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปด้วยความรักอยู่หรือไม่ ทนนรุธท่านก็ตอบดีนั้นท่านก็บอกว่าใจของข้าพระองค์นี่ได้วางเอาไว้แล้วนะก็ประพฤติตามจิตของเพื่อนพรหมจรรันทร์หรือเพื่อนศาสธรรมกิก็หมายถึงว่าท่านเอาความสนใจหรือความต้องการส่วนตัวนะวางไว้ก่อนแล้วก็คำนึงถึงแต่ความต้องการหรือ จิตใจของเพื่อนที่อยู่ร่วมปฏิบัติด้วยเหมือนกับว่าถอดตัวตนออกมานะวางลงซะแล้วก็จะคำนึงถึงแต่ความรู้สึกนึกคิดของเพื่อนร่วมปฏิบัติด้วยกันพุทธเจ้าก็ก็ยินดีด้วยคำถามที่3ท่านก็ถามว่ายัางตั้งอยู่ในความไม่ประมาท มีความเพียรในการปฏิบตัติอุทิศทั้งกายและใจหรือเปล่านะพราะนุรุทธาก็ตอบว่ามีความเพียรอยู่คำถามสุดท้ายที่พระองค์ถามคือว่าได้บรรลุคุณวิเศษบ้างหรือไม่อันท่าลอาพิจารณานะคำถามทั้ง4ประการของพระุทธองค์นี่น่าพิจารณานะที่แรกท่านก็ถามเรื่องความเป็นอยู่ต่อมาท่านก็ถามเรื่องความสัมพันธ์ แล้วก็ถามถึงเรื่องความเพียรความตั้งใจในการปฏิบัติคาถามสุดท้ายถึงจะถามเรื่องผลของการปฏิบัติหรือว่าคุณวิเศษที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติอันนี้ก็ถ้าเราพิจารณาเช่นนี้ก็คงจะเห็นได้ว่าในทัศนคตพระพุทธองค์เนี่ยการที่คนเราจะประสบผลของการปฏิบัติได้เนี่ยก็ต้องมีอย่างน้อย3ามอย่าง ที่หน่งก็เป็นเรื่องของความเป็นอยู่นะไม่ลำบากโดยพับบินธรบานหรืออาหารนี่ก็ไม่ขาดแคลนซึ่งก็จะรวมถึงเสนาสนะหรือปัจจัยสี่ทั้งหมดด้วยนะอันนี้เป็นเรื่องของความเป็นอยู่หรือเป็นเรื่องของความสะดวกทางกายประการต่อมาคือเรื่องของความสัมพันธ์ก็คือว่าต้องอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืนราบรื่น หลัประการที่3คือความตั้งใจหรือความเพียรในการปฏิบัติาการปฏิบัติจะเกิดผลดีได้นี้ต้องมี3ประการนี้นะอันแรกเป็นเรื่องกายอันที่2เป็นเรื่องความสัมพันธ์อันที่3าเป็นเรื่องของจิตใจหรือว่าความตั้งใจซึ่งนําไปสู่ความเพียรคือถ้าขาดอันใดอันหนึ่งแล้วก็คงจะเกิดพุนิเศษ หรือว่าเกิดผลของการปฏิบัติได้ยากเพราะว่าในการที่คุณเราจะมีความก้าหน้นในการปฏิบัติเนี่ยเราต้องมีปัจจัยสีนพอสมควรเรียกว่าสัพยะในเรื่องอาหารสถานที่แล้วก็สัพยพะในเรื่องบุคคลก็คือเป็นไกลันมิตรกันเอื้อเฟื้อเกือเก้อกูลกันแล้วก็ อันนั้นเป็นปัจจัยภายนอกเรื่องอาหารเรื่องเสนาสนะนี่กับเรื่องกิริยนิมิตเป็นปัจจัยภายนอกแล้วก็จะ ม, มีปัจจัยภายในะคือความตั้งใจความเพียรอันนี้ก็มาเป็นเป็นแง่คิดให้กับพวกเราได้นะที่นี่นี่ในเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องบิณฑบาตเรื่องอาหารนี่ก็เรียกว่าสบายนะไม่มีคําว่าขาดแคลน สิ่งที่เราต้องพิจารณาต่อไปก็คือว่าแล้วความสัมพันธ์ของพวกเราเราได้มีความเป็นกรรยะนานมิกกันหรือไม่หรืออย่างที่พระเจ้าได้ถามว่าชื่นชมกันพร้อมเพรียงกันไม่วิวาทกันกลมกลืนเหมือนน้ำกับน้ำนมมองกันด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปด้วยความรักหรือเปล่า นั่นนี่ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณานั้นถ้าเราต้องการให้การปฏิบัติเกิดผลก็ต้องสร้างให้เกิดขึ้นก็คือว่ามีความเอื้อเฟือ้อเกื้อกูลกันมีความสัมพันธ์มีความเมตตาต่อกันเพราะถ้าขาดสิ่งนี้แล้วนี่มันก็จะเป็นอุปสรรคของการปฏิบัติอันนี้ก็เป็นเป็นการบ้านที่ พวกเราจะต้องมาช่วยกันทำให้เกิดขึ้นในเมื่อเรามาจำพรรษานะเราตั้งใจกันว่าจะจำพรรษาอยู่ในอาวาดให้ตลอดทั้งสามเดือนแล้วก็ได้อธิษฐานเอาเวลาในฝ่ายของพระภิกษุนะในการที่พวกเราจะอยู่ด้วยกันอย่าง ราบลื่นกลมเกลื่อนจริงแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าอยู่ด้วยกันหลายคนนะเฉพาะพระนี่ก็50แม่ชีก็19นะแล้วก็คารวะที่มาตั้งใจามาปฏิบัติตลอดพรรษาก็คงมีเป็น10แล้วนะก็เป็นไปได้หรือว่ามีโอกาสมากที่จะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างนะด้วยวาจา หรือบางทีก็อาจจะไม่ได้มีคำพูดอะไรต่อกันแต่ว่าการกระทําบางอย่างอาจจะไม่ถูกใจอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้นะที่จะก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้ไปให้ได้หรือว่าไม่ให้มันเป็นอุปสรรค บางทีสิ่งที่ไม่ถูกใจเล็กๆน้อยๆเนี่ยถ้าสะสมทุกวันทุกวันหรือว่าเห็นทุกวันได้ยินทุกวันจากความไม่ถูกใจก็กลายเป็นความไม่พอใจจากความไม่พอใจก็ลุกลามกลายเป็นความขุนเคืองใจและในสุดก็กลายเป็นความโกรธพอสะสมมางมากเข้าก็ระเบิดออกมาได้ระเบิดมาเป็นคาพูดหรือเป็นการกระทำ ประชประชันอะไรต่างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในหลายที่หลายแห่งที่มีคนมาอยู่ร่วมกันเยอะๆนะโดยเพพาะในช่วงค้าบรนสาเพราะว่าไปไหนไม่ได้นะจําบรรสาอธิษฐานเอาไว้แล้วนะก็จําต้องอยู่ด้วยกันถ้าเป็นช่วงเวลาอื่นถ้าไม่พอใจกันผิดใจกันก็อาจจะหลบหลีกแยกย้ายไปที่แต่พอคาบรนาแล้วมันทาอย่างนั้นไม่ได้ ก็ต้องทนอยู่ด้วยกันพอทนอยู่ด้วยกันแล้วก็เลยจะทำให้เกิดความไม่พอใจจนกระทั่งเกิดการบาดหมางกลายเป็นการวิวากกันได้อันนี้เราก็ต้องตระหนักหรือสังวรเอาไว้เพราะว่ามันเกิดขึ้นเสมอถ้าหากว่าไม่มีสติไม่มีความอดกลั้นว่นะาไม่รู้จักวิธีที่จะ จัดการกับความไม่ถูกใจที่เกิดขึ้นรวมทั้งไม่รู้วิธีที่จะแก้ไขนะความขัดแยง้งที่เกิดขึ้นด้วยเรื่องความความอดกลั้นนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญแต่ว่าลําพังความอดกลั้นอย่างเดียวมันไม่พอนะมันต้องอาศัยสตนะิที่จะรู้ทัน อารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้จักวางมันได้ไม่เอามาเป็นอารมณ์เพราะถ้าเอามาเป็นอารมณ์หรือว่ายึดติดถือมั่นแล้วก็กลายเป็นเรื่องได้บางทีแค่สวดทำวัดไม่พร้อมกันบางคนเสียงสูงบางคนเสียงต่ำนะบางคนลากยาวบางคน เ, เสียงดังนะวันแรกแรกก็ไม่เท่าไหร่อทิต์ต่อมาก็ ก็ยังไม่เท่าไหร่แต่พอผ่านไปอาทิตย์ที่3อาทิตย์ที่4ก็เริ่มเกิดความไม่พอใจขึ้นจากเรื่องเล็กๆก็กลายเป็นเรื่องใหญ่บางทีฉันอาหารบางคนฉันก็เสียงดังไม่ระมัดระวังช้อนมันไปกระทบกับบาทเสียงดังหรือว่าขูดบาทดังๆวางแก้วกระแทกพื้นนะ กระทบพื้นนะไม่ใช่ไม่ถึงกับกระแทกแค่กระทบพื้นก็ดังเป็นอย่างนี้ทุกวันทุกวันถ้าใจนี่มันไปจดจ้องอยู่กับตรงนี้ถ้าจิตมุ่งแต่ส่งออกนอกมันก็จะไปจ้องอยู่ว่าเมื่อไรเขาจะทำอย่างนั้นแล้วพอจ้องแล้วเนี่ยใจก็เป็นทุกข์แล้วพอมันเกิดเสียงดังอย่างที่คาดเอาไว้ก็ยิ่งเกิดความไม่พอใจ ส่งจิตออกนอกลืมดูใจตัวเองนะก็กลายเป็นเรื่องขึ้นมาได้พอถึงเดือนที่สคนนี้ก็ก็คลายความอดกันแล้วก็กลายเป็นการทะเลาะวิวาทกันได้อันนี้มันเป็นไปได้ทั้งนั้นนันะอย่าไปประมาทไอ้สิ่งเล็กเล็กในน้อยถ้ามันสะสมกันโดยที่ไม่รู้จักจัดการก็กลายเป็นปัญหา บางครั้งมีอะไรไม่ถูกใจก็ก็ควรจะพูดก็ควรจะท้วงนะการท้วงการติงนะมันก็ก็ต้องมีมีข้อพิจารณานะพระพุทธเจ้าแม้ว่าจะจะเตือนใจพวกเรานะว่าผู้ที่ชี้โทษให้เป็นผู้ที่ชี้ขุมทรัพย์นะ แต่ว่าพระพุทธองค์นะแม้ทรงจะชี้โทษใครเนี่ยพระองค์ก็ไม่ได้ชี้หรือพูดไปแบบไม่คำหนึ่งอะไรทั้งสิ้นนะไปมีคนถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เคยพูดอะไรที่ไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นไหมพระองค์แทนที่จะตอบว่าเคยหรือไม่เคยพระองค์ก็ขยายความว่า การพูดสิ่งที่ไม่ถูกใจของคนอื่นแต่ว่าเป็นประโยชน์เป็นความจริงแล้วก็ประกอบไปด้วยการอันนี้เราเคยทําแล้วก็ทําอยู่คือพระองค์ก็พูดว่าเนี่ยขยายความว่าเวลาจะทรงชี้โทษใครแม้กระทั่งเป็นสาวกนะก็ก็ต้องดูนะดูว่าเป็นประโยชน์ไหมแล้วก็ประกอบไปด้วยการหรือเปล่าคือถูกเวลาไหม ที่จริงพระองค์แนะนําว่าอย่าว่าแต่การท้วงติงการตักเตือนว่าต้องคํานึงถึงเวลาเลยนะแม้แต่คําชมก็ต้องคํานึงเวลาด้วยเหมือนกันก็ต้องดูเวลาไม่ใช่ชมพร่าเพื่อนะขนาดการการชมนยังต้องดูไวล่าเวลานะหนาประสาอะไรกัการท้วงติงหรือว่าการชี้โทษที่จริงถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยพระเจ้าก็ให้ ให้หลักไว้อีกด้วยนะว่านอกจากเป็นความจริงมีประโยชน์แล้วเนี่ยแล้วก็ถูกเวลาแล้วเนี่ยก็จะต้องใช้คำพูดที่อ่อนโยนสุภาพแล้วก็ประกอบไปด้วยเมตตาก็าคือต้องมีทั้งห้าประการเป็นความจริงแต่ไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ควรพูดเป็นความจริงมีประโยชน์แล้วก็ต้องดูเวลาด้วยแล้วก็ใช้คาหรือวาจาที่สุภาพว่าปิยะวาจา นะแล้วก็มีเมตตาอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยควรจะนำไปปฏิบัติเพราะว่าบางครั้งก็ต้องมีการท้วงการติงหรือว่าการแสดงความเห็นนะเพื่อที่จ ะ, ะชี้โทษไม่ใช่ว่างเงียบไม่ใช่ว่าอดกลั้นอย่างเดียวไม่พูดอันนั้นก็ไม่ถูกแต่ว่าเมื่อพูดแล้วก็ต้องรู้ว่ามี มีเกณฑ์มีหลักอะไรบ้างนะที่จะช่วยทำให้การพูดนั้นเนี่ยมันเป็นประโยชน์ในส่วนคนฟังนะก็ต้องฟังด้วยความความใส่ใจนะพิจารณาว่าสิ่งที่เขาพูดมาจริงไหมเป็นประโยชน์หรือเปล่าไม่ว่าคำพูดนั้นเนี่ยมันจะรุนแรงแค่ไหนก็ตาม แ้นถ้าเราทำได้อย่างนี้เนี่ยก็จะช่วยทำให้การอยู่ด้วยกันในพันษานี้เนี่ยเป็นไปด้วยดีแล้วก็ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมซึ่งถ้าหากว่าพวกเรามีความตั้งใจด้วยแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งเกิดผลดีมากขึ้นแต่ว่าเราต้องจใจเกิดผลก็ต้องผ่านนะข้อที่2ไปก่อนนะเรื่องความสัมพันธ์อยู่ด้วยกันอย่างราบรื่นกลมกลืน อันนี้ก็จะช่วยทำให้เกิดความตั้งใจมากขึ้นบางคนบวชอาจจะไม่ได้คิดจะมาตั้งใจปฏิบัติธรรมแต่ว่าหมู่คณะเป็นกลยันมิตรนะนอกจากจะอยู่กันอย่างลาบรลื่นกลมกลือนแล้วก็ยังมีความเพียรในการปฏิบัติก็กลายเป็นสิ่งที่ชักชวนชี้นำให้ตนเองนะหันมาปฏิบัติบ้า ง, ท, งทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจเพราะบวชกะว่าเพียงแค่ ตอบแทนคุณพ่อแม่หรือบทตามประเพณีเท่านั้นเองเมื่อมีความตั้งใจนะมันก็ครบองศาณนะผลหรือว่าอนิสงของการปฏิบัติก็ย่อมเกิดขึ้นสิ่งที่นาพิจารณาประการนึงคือก็คือว่าพระพุทธองค์นะเมื่อจะสอบถามภาษาวกเนี่ยทีแรกจะไม่ถามว่าได้ผลเป็นยังไงนะ แต่จะถามก่อนว่ามีความตั้งใจในการปฏิบัติหรือเปล่ามีความเพียรในการปฏิบัติไหมพอพระองค์เนี่ยถือว่าความเพียรเป็นเรื่องสำคัญส่วนผลนั้นนะมันตามมาทีหลังเพื่อศาสนาเนี่ยจะให้ความสำคัญกับเรื่องความเพียรมากส่วนเรื่องผลนั้นเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีอันนี้อาจจะต่างจากคน จำนวไม่น้อยนะพ่อแม่บางคนน ะ, ะจะถามลูกว่าเรียนดีไหมได้คะแนนเท่าไหร่ถามก่อนเลยนะแต่ไม่ได้ถามว่ามีความตั้งใจเรียนหรือเปล่าถ้าูถ้าเป็นพ่อแม่ที่ดีก็จะถามก่อนว่ามีความตั้งใจไหมแล้วผลเป็นอย่างไรคือความตั้งใจมาก่อนส่วนผลเนี่ยตามมาทีหลัง อันนี้ก็เป็นเป็นหลักของพระพุทธองค์เลยก็ว่าได้มีคราวหนึ่งนะที่ป่าแห่งเดียวกันนะป่าโคสิงคาสารวันก็มีคราวนี้พระองค์ก็มาเสด็จมาพักแรมร่วมกับภาษาวกท่านอื่นด้วยนะแต่ว่าเป็นชุดใหม่นะก็มีภาษาลีบุตรมีพระโมคคัลลานะพระอนุรุธทธะพระเลวะตะล้นหมดเจ็ดลูกล้ยแล้วแต่เป็นพระอรหันต์ทั้งนั้น ป่านี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าเพราะว่าแม้กรทา่งพระอรหันต์ก็นิยมมาปฏิบัติวันหนึ่งพระสาลยบุตรและพระโมคคัลนะก็สนทนากันว่าป่าเนี่ยนะมันจะงามสําหรับภิกษุเช่นไรภาษาวกแต่ละท่านก็ตอบไปไปคนละทางเลยพระนนท์ซึ่งเป็นผู้ที่เป็นพระหูสูตรก็ตอบว่าป่างามสําหรับภิกษุผู้ได้ยินได้ฟังมามาก พอรุท ธ, ธานี่ท่านท่านมีความสามารถด้านทิพยโสตคือตาทิพนะท่านก็ตอบว่าป่างามแก่พิสุผู้มีทิพยจักสุพระเรวตานี่ท่านมีเจโตสมถท t h นะเป็นเลิศด้านนี้ท่านก็ตอบว่าป่างามเพราะพิกษุผู้ทําความสงบทางจิตพระมากัสปะท่านเป็นผ้าที่ชอบอยู่ป่าลุงของพระบงสกุลอยู่คนไม้ท่านก็ตอบว่าป่างามเพราะพิกษุผู้ที่ เที่ยวบินธบัตเป็นวัดโฮมภาพบรรสกุลอยู่คโคนไม้เป็นวัดแต่ท่านเนี่ยก็จะตอบโดยอิงคุณพิเศษของตัวว่าเนี่ยปางามแก่พิสูจนที่มีคุณพิเศษเช่นนั้นเช่นนี้ก็ไม่มีข้อสรุปสุดท้ายทั้งหมดก็เลยปรึกษาากั้นไปทูลถามพระพุทธเจ้าดีกว่าปรากว่าที่พระเจ้าตอบนี้ไม่เหมือนซักรูปเลยนะที่ตอบมาก่อน พรองตอบว่าปางงามสำหรับพิสุที่เมื่อเสร็จบินธบาตแล้วก็มานั่งคู่บัลลังนะทำความเพียรดำรงสติให้มั่นแล้วก็ตั้งจิตว่าถ้าไม่บรรลุธรรมก็จะยังไม่ทิ้งความเพียรอันนี้เป็นที่นาสังเกตวพระองค์ก็ไม่ได้พูดกับปางงามแก่พิสุผู้ที่มีคุณวิเศษใดๆแต่ท่านกลับไปนเน้นที่ความเพียรจะเป็นปูุ้ชนก็ได้ แต่ขอให้มีความเพียรคือเสร็จบินธบะแล้วก็มาทำความเพียรไม่มีการย่อหย่อนอันนี้ก็แสดงว่าพระงนี้ให้ความสำคัญกับความเพียรเป็นอันดับแรกส่วนคุณวิเศษนั้นตามมาทีหลังเพราะว่าความเพียรเนี่ยถ้าหากว่ามีขึ้นมาแล้วนะ้ผลที่เกิดขึ้นมันย่อมหนีไม่พนะ้นถ้าประกอบเหตุให้ดีนะ ผลที่ดีย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอันนี้มันเป็นกฎธรรมชาตนะิเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาเนี่ถือเป็นศาสนาอีกที่เน้นความเพียรมากบางทีก็มีคําเรียกว่าพุทธศาสนาเป็นวิริยะวาทนะวิริยะวาทคือวาทะหรือว่าคําสอนที่เน้นเรื่องความเพียรนะก็ตรงกับภาสิกของ ของคนจีนคนตะวนออกนะที่บอกว่าเนี่ยความเพียรเป็นของมนุษย์นะความสําเร็จนี่เป็นของฟ้านะหมายความว่าเมื่อเราทําความเพียรแล้วเนี่ ย, ยไอความสําเร็จนี่มันย่อมตามมาเองสิ่งที่เราสามารถจะทําได้ก็คือประกอบความเพียรให้เต็มที่ผลนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่เหตุปัจจัยหลายอย่าง ทางคนจริงเขาเรียกขึ้นอยู่กับฟ้าดินนะแต่ว่าถ้าเป็นทางพุทธบอกเนี่ยเป็นเรื่องของตถ า, าตาเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยแต่เหตุปัจจัยหนึ่งที่มนุษย์เราสามารถทําได้อย่างเต็มที่คือว่าทําความเพียรของตัวเองส่วนผลนั้นตามมาทีหลังเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยเวลาเราปฏิบัติเราก็อย่าไปคิดแต่เรื่องผลมากเกินไปเราต้องเน้นที่การประกอบเหตุให้ดี ผลแม้มันจะไกลแค่ไหนก็ไม่ทำให้ท้อถอยแม้ังมองไม่เห็นผลอยู่ข้างหน้าเลยแต่ก็ความเพียรก็ไม่ทิ้งอันนี้ก็เหมือนกับพระมหาชนกนะพระมหาชนกนี่ฉากสำคัญฉากหนึ่งก็คือตอนที่เรือแตกกลางทะเลพระมหาชนกนี่เกาะไม้ได้แผ่นหนึ่งก็ไหวเข้าฝั่ง ไม่เห็นฟังเลยแต่ก็ไหว้ไม่หยุดผ่านไปหนึ่งวันก็แล้วสองวันก็แล้วสามวันก็แล้วจนถึงวันที่เจก็ยังไหว้ยอยู่ทั้งๆที่มองไม่เห็นฟังเลยจนกระทั่งพระอินนี่ร้อนอาดนะก็เลยบอกให้นางมณีเม่ขลามาช่วยเพราะว่าหน้าที่ของเทวดาคือช่วยคนดีส่วนหน้าที่ของคนดีก็คื อ, คอทําความเพียรโดยไม่ต้องร้องขอนางมณีแม่ขลามาเห็นพระ มาชนกว่าอยู่ไม่ยอมหยุดก็เลยถามว่าท่านไหว้ทําไมในเมื่อมองไม่เห็นฝั่งพระมาชนกก็บอกว่าเราไหว้แม้มองไม่เห็นฝั่งเพราะเห็นประโยชน์ของความเพียร น, นางมณีเมขคาก็ถามต่อไปว่าเพียรแบบนี้ก็ตายเปล่านะเพราะว่าฝั่งไม่เห็นเลยพระมาชนกก็ตอบว่าคนเราเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ต้องทําความเพียรให้ถึงที่สุด แม้ตายไปนะก็เทวดาหรือมนุษย์ก็ติดเตียนไม่ได้เ่านั้นเนี่ยแม้จะแม้จะมองไม่เห็นฟังแต่ก็ยังว่าอยู่เพราะว่าเห็นเปี่ยของความเพียรเมื่อทำความเพียรแล้วสิ่งที่ทำไปย่อมไม่สูญเปล่านางมณีเมขลาก็เลยจนต่อถ้อยคำนะก็เลยโตรงก็ช่วยมาพระมาชนกนะพาเข้าฟังอันนี้ก็เป็นเป็น เป็นการสะท้อนแนวคิดนะของพุทธศาสนานะว่าจะต้องทำความเพียรหรือมุ่งทำความเพียรเป็นหลักส่วนความสำเร็จจะเกิดขึ้นหรือไม่เอาไว้ทีหลังทำความเพียรถ้าไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยก็ถือว่าได้ทำเต็มที่แล้วทาอย่างที่สุดแล้วแต่ว่าถ้าทำประกอบเพียรได้ถูกต้องนะมันก็ต้องเกิดผลบ้างไม่มากก็ น, น้อย อันนี้เป็นแนวคิดที่ดีสำรันักปฏิบัติธรรมนะว่าเราอย่าไปสนใจกับเรื่องผลของการปฏิบัติมากนักควรจะทุ่มเทให้กับการปฏิบัติหรือการประกอบเหตุมากกว่าเพราะถ้าไปคาดหวังที่ผลการปฏิบัติบางทีก็ท้อ ง, ง่ายเพราะว่าทำหลายวันแล้วยังไม่เห็นผลเลยมันก็เหมือนการเดินทางนะคนเรา ถ้เดินทางแล้วคิดแต่ว่าเมื่อไหร่จะถึงเป้าหมายก็จะรู้สึกท้อได้ง่ายยิ่งคิดก็ยิ่งทอ้อเมื่อไหร่จะถึงสักทีเมื่อไหร่จะถึงสักทีสุดท้ายก็เลยเลิกซะเลยคนเรานะมันเป็นธรรมชาติที่ว่ายิ่งอยากถึงไวๆก็จะรู้สึกว่าถึงช้าเวลาเราไปไหนเราจะรู้สึกไหมว่ามันถึงช้าแต่เวลาขากลับนี่มันกลับถึงเร็ว พอตอนขาไปเนี่ยเราจดจ่ออยู่ที่เป้าหมายอยากให้ถึงไวๆก็เลยรู้สึกว่าคืบหน้าไปได้ช้าแล้วก็ถึงช้าแต่ขากลับเราไม่สนใจเป้าหมายแล้วพอไม่สนใจก็กลับถึงเร็วนะเห็นเวลานี่การปฏิบัติก็เหมือนกันมันก็เหมือนการเดินทางไกลนะหรือจะเรียกว่าเปรียบเหมือนการว่ายน้าเข้าฝั่งก็ได้ นะฝั่งข้างหน้าคือทางคือฝัง่งนิพพานนะถึงแม้จะมองไม่เห็นก็ก็ไม่ท้อถอยไหวไม่หยุดนะผ่านไปเจวันไม่เห็นฝั่งก็ยังไหวยอยูอย่อย่างพระมาชนกนะอันนี้แหละเป็นคติของชาวพุทธนะเราพึ่งความเพียรเราไม่เราไม่พึ่งอย่างอื่นแม้กระทั่งโชคนะแต่ดีที่คนไทยเราไปพึ่งโชคมากเวลาจะอวยพรเราก็บอกว่าขอให้โชคดีนะ พ่อแม่ก็อวยพรลูกว่าขอให้โชคดีครูบาอาจารย์ก็อวยพรลูกเสียว่าขอใโชคดีอันนี้ไม่เหมือนคนญี่ปุ่นนะคนญี่ปุ่นเขาจะอวยพรว่ากรรมบัตเตะนะขอให้มีความเพียรขอให้ไม่ท้อถอยขอให้สู้นะไม่มีคําว่าโชคนี่แต่คําว่าเพียรพยายามาการเปเน้นที่โชคเนี่ยมันทําให้คลายความเพียรไปเน้นที่ความสําเร็จคนไทยเราเป็น้นที่ความสําเร็จมากนะถ้า สำเร็จได้ด้วยทางไหนก็เอาทั้งนั้นนะจะเป็นโชคจะเป็นเพราะโชคจะเป็นเพราะการดนบันไดของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เอานะเพราะฉะนั้นก็เลยไปพึ่งวัตถุมงคลมากนะพราะเรามุ่งหวังแต่ความสําเร็จนะโดยเพราะถ้าสําเร็จได้ที่ไม่ต้องเพียรพยายามเลยยิ่งดีนะแต่ว่าคนญี่ปุ่นนี่คขเน้นเรื่องความเพียรผลเอาไว้ทีหลังทําความเพียรแล้วเดี๋ยวผลมันมาเองอันนี้ก็เหมือนกับภาษิต จ, จีนที่บอกว่าเนี่ย ความเพียรเป็นของมนุษยนะ์ความสำเร็จเป็นของฟ้าหรือว่าเป็นเรื่องของฟ้านะซึ่งจริงๆมันก็เป็นตรงกับคติพูดมาตั้งแต่ไหนตไหะไรแล้วไอ้พวกเรานี่เราต้องทำความเพียรให้เต็มที่เลยเพราะสิ่งที่เราสิ่งที่เราทำเนี่ยสิ่งที่เราเพียรพยายามเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งประเสริฐนะเรื่องพระธรรมนี่มันเป็นสิ่งประเสริฐอยู่แล้วนะที่มันช่วยมนุษย์ได้อย่างแท้จริง ทุกวันนี้ไอ้สิ่งที่ประเสริญนี่เรากลับเพียร น, น้อยนะแต่สิ่งที่เป็นเรื่องตื้นตื้นพื้นผิวนี่เราทุ่มเทกันเหลือเกินอย่างโอลิมปิกเนี่ยนะมันก็เหรียญทองคนทุ่มเทกันบางทีทุ่มเท10ปีนะนักยิมนาสติกนี่ฝึกมาตั้งแต่สี่ขวบจนกระทั่งวัยสิ4ี่นะจุดหมายคือเหรียญทองทุกวันนี่ตื่นมาหกโมงเช้าอัดซ้อมกันจนกระทั่งค่ํา ทั้งสิบปีนี้ก็เพื่อเหรียญทองนักไว่วยน้ำนี่ก็ไหวยน้ำกันนะตั้งแต่เชา้าจนจดุดค่าไม่ได้หยุดเลยจุดหม้คือเพื่อเหรียญทองทั้งที่เหรียญทองเนี่ยได้ไปแล้วเนี่ยก็เป็นที่จดจำเพียงแค่ไม่กี่ปีหลังจากนั้นคนก็ลืมยกเว้นคนดังๆบางค น, นยอย่างอะไรเฟลใช่ไหล่อไปสิบเหรียญทองแล้วไอ้แบบนี้นะคนจะจำได้ แต่ก็จะจำได้นานเท่าไหร่ก็ไม่รู้และได้มาแล้วก็มีความสุขชั่วคราวมีความสุขไม่กี่ไม่กี่ปีหรอกนะพอแก่ตัวก็คนก็ลืมก็กลายเป็นทุกข์หรือว่าบางทีไม่ต้องรอให้แก่นะพอกำลังวังชาเริ่มอ่อนลงนะแพ้ให้กับคนที่หนุ่มกว่านะก็เป็นทุกข์ บางทีก็ทุกเรื่องครอบครัวบางทีก็ทุกเรื่องโน้เรื่องนี้มีคนหนึ่งเป็นนักยิมนาสติกอายุสิบสี่ได้เหรียญทองได้คะแนนเต็มสิบนะไม่เคยมีใครได้ชื่อนาเดียนาเดียโคมันชีมังสมตตาตมายยังหนุ่มๆ น, นี่ก็เขามีชื่อมากสิบสีได้เหรียญทองดังมากมีคนแต่งเพลงให้แต่ว่าพอผ่านไปอายุยี่สิบยี่สอยี่บสองเนี่ย ชีวิตมีปัญหาจากคนที่เคยดังระดับโลกก็เหมือนกับนะไม่มีคนสนใจแล้วก็มีความทุกขนะ์เนี่ยมันเป็นของที่ให้ความสุขเพียงชั่วคราวความสำเร็จแบบนี้แต่คนก็ยังทุ่มเทกันทั้งโลกนะเรียกว่าเอาชีวิตเขาแลกก็ว่าได้ยอมขาหักยอมแข้งขาหักนะเพื่อจะให้ได้เหรียญทอง ส่วนธรรมะนี่ซึ่งมันเป็นเป็นของที่ประเสริฐมากแต่บางทีเราเปลี่ยนกันไม่เต็มที่นะทํา7วันไม่ได้ผลก็เลิกแล้วนะมันก็หน้าหัวนะทั้งที่สิ่งที่เราทานี่มันเป็นสิ่งที่จะมีคุณค่าที่ช่วยดับทุกข์ได้หรือช่วยคลายทุกข์แล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้อื่นด้วยแต่ว่าเรากับไม่ทุ่มเทไม่มีความเพียรกันอย่างเต็มที่อาตมานึกถึงคนนึงนะ คุณป้าเกาหลีแกเป็นคนน่าสนใจมากได้ข่าวครั้งแรกประมาณกุมภา52เป็นข่าวเพราะว่าแกเนี่ยมีอาชีพเป็นคนขายผักแกอยากได้ใบขับขี่ก็เลยไปสอบใบขับขี่ภาคปฏิบัติผ่านแต่ว่าภาคข้อเขียนเนี่ยไม่ผ่านที่มันเป็นข่าวเพราะว่าแกสอบมาแล้ว775ครั้งไม่ผ่าน สอบแทบทุกวันเลยนะสอบตั้งแต่ปีสี่แปดสอบแทบทุกวันเลยเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าครั้งวันเล้นวันก็ว่าได้แก่ไม่เลิกนะสอบอีกนะมาเป็นข่าวทีเดือนพฤศจิกาสองสอบได้แล้วนะหลังจากที่สอบมาแล้วเก้าร้อยห้าสิบครั้งเรียกว่าทุ่มเต็มที่เลยนะเอาจนได้นะนี่เรียกว่าความเพียรเ็าเต็มที่นะ แต่บางคนนักปฏิบัติทำนะทำแค่ห้าวันเจ็ดวันนะไม่เห็นผลเลิกดีกว่าอย่างนี้ก็นะก็คงจะทำอะไรได้สำเร็จได้ยากนะเพราะว่าไอ้ความความเพียรมันมันไม่ค่อยมีหรือไม่ก็ไปทุ่มเทให้กับให้กับสิ่งอื่นซึ่งก็มักจะไม่ใช่เป็นสาระเท่าไหร่บางคนทุ่มเทให้กับคู่รักนะพยายามจีบ จำตามจีบนะเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีผ่านไปสองปีก็ยังไม่เลิกจีบเจปีก็ยังสู้ยังไม่เลิกนะไอ้เรื่องแบบนี้ทำได้นะทุ่มเทได้นะแต่เรื่องที่เป็นสารานี่กับอ่อนแอนะอันนี้มันก็น่าแปลกเหมือนกันอันนี้ก็เพราะนั้นก็ถ้าเราต้นหนักว่าสิ่งที่เราทำนี่มีค่ามีความสำคัญเป็นสิ่งที่จะประคองเชื่อเราให้ผาสุขลาเพลินไปตั้งแต่ ปัจจุบันจนถึงวันสิ้นลมเนี่ยนะมันต้องเพียรมากและผลมันก็จะปรากฏให้แก่เราในที่สุดจริงๆในทุกขณะที่ปฏิบัติก็ว่าได้โดยเพราะจะเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องแต่ถึงแม้ปฏิบัติผิดนะมันก็ยังให้ประโยชน์นะอย่างน้อยก็ได้ฝึกความอดทนแล้วก็ได้ฝึกความเพียรแล้วก็ทําให้เราได้รู้ว่าอ๋อมันผิดมันผิดตรงไหนมันพลาดตรงไหนเมื่อรู้ผิดก็สามารถจะเปลี่ยนให้เป็นถูกได้ และประสบการณ์ที่ผิดพลาดก็ทำให้เป็นบทเรียนที่ดีทำให้สามารถจะประคองตัวให้ปฏิบัติได้ถูกต้องได้อย่างต่อเนื่อง